ก็คืออาการของจิตนั่นแหะถ้าอย่างนี้ก็ฟังแล้วจะเข้าใจชัดเจนขึ้น <ừ. S 1> เพราะว่าถ้าบอกอาการของจิตนี่เอ๊ะแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าความคิดหรืออารมณ์เนี่ยนะคะดูจะเป็นภาษาที่คุ้นชินกับคนทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจได้เลยค่ะต้องแยกกให้ถูกน ะ, ะระหว่างจิตกับอาการจิตกับอาการของจิตเนี่ ย, ย, ยคือสภาวะที่รู้อาการคือสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งแต่ถ้าเราอุปมาเป็นรูปธระทับหน่อยจะเข้าใจา ง, ง่ายๆ เอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตดีกว่าน่าจะดีค่ะจิตเนี่ยเปรตเสมือนหลอดไฟเปรียบเสมือนหลอดไฟแล้วอาการของจิตเนี่ยคือเปรตเสมือนแสงไฟเราสังเกต ด, ดูดิเราจะเห็นแสงไฟกับหลอดไฟเนี่ยมันโคลนันกันแต่มันก็มักจะมาด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นจิตกับอาการเนี่ยมันเกิดด้วยกันรักษาศัยกันเกิดนะเพราะฉะนั้นหลอดไฟเนี่ย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 ผู้สงบใจได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะคะ